สังคาพิทุติธรรมยังสังคาพิธุติตกรมเซโยโซ ส, สุปฏิปันโนภะคะวะโตสวะสังโคทรสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านานหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แลว้วสามีทิปฏิปันโนพระคขว่โตสาวะกะสังโฆทรสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ไดปฏิบัติสมควรแล้ว ยาธิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจตาริปุริสยุคานิอตัตตปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสีคู่นาเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาข่วว่โตสาวกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า อาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนราบทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักสินทานอัญชลีกาณโิโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันชรีอนุตรางปุญญาเขตตังโลกาาัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังขังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชายอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้น ตามหังสังขังศิรษะนามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสมุนานด้วยเสียนกล่าว